ต่อเม 30 เมษายน 2535 ที่ มีคนเขียนมาถามเรื่องว่าสงสัยเรื่องวิบากกรรมคนเขียนมาถามว่า 2 ว่ากรรมที่เช่นเราเดินไปเหยียบแมลง นี่เป็นการได้รับวิบากของกรรมอ่ะ <c oughs> อาตมาบอกเราไปเหยียบวิบากก็ไปเหยียบวิบากว่า เพราะมันไม่มีเจตนามันไม่มีวิญญาณมันไม่มีอะไร มันมันก็ไม่มีเจตนามีเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาทั้งสองส่วนไม่มีเราทําเรามันก็ไม่มีเจตนา ที่มันมีวิบากนั้นอาตมาหมายถึงสิ่ง อย่าไปตรงเพ๊ะเลยเหยียบหัวมันแป๊แป๊เลยตายเหมือนกันนะเหยียบ ที่วิญญาณอ่ามันจะพยาบาทเรานั่นน่ะเราห้ามมันไม่ได้มัน อันนี้แหละถึงเป็นวิบากนี้แหละถึงเป็นวิบากอย่างนี้นี่คุณยกตัวอย่างมาบอก อ่าปิดเท่าคุณปิดไม่ระวังแบบนี้วิบากที่ปิดประตู ถ้าอาตมาระวังดีๆนะไม่ให้มันเหยียบน้ํา มันไม่มีวิญญาณมันไม่มีบาปอะไรกระเราเราก็ไปมันไม่จองเวรกับเรานอกจากเราจะมีวิบากกับตรงๆเหรอนะเจอน้ําเมื่อไหร่ใหม่ นั่นก็เป็นมันไม่มีจิตวิญญาณอะไรคุณก็นะมันไม่ คนไปโทษไปเพ่งโทษมันนั่นไงมันก็ไม่อ่ะมันไม่มีจิตวิญญาณ เพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจทุกด้านนะถ้าเราจะ อัตมาเอกตบาหมายถึงไปเกี่ยวเนื่องเนาะว่าไอ้นี่ หลบมันได้เราเลี้ยงมันได้มันไม่มีคนโดยเฉพาะคนที่มีจิตวิญญาณนําพามา แต่สัตว์ที่มีวิญญาณก็อาจจะโทษมันบ้างมีวิบากที่จะ แต่มีเหมือนกันมีเหมือนๆเนี่ยในนิทานในชาดกก็มีเป็นวิบากที่เคยทําหรือแต่ จอมอาฆาตจอมราคะรักจัดหวงหาอาวรจัด เข้าอกงูจงอางนี่ยอดพยบาทนะยอดพยบาทเลยก็จริงมันล้างไม่ เราต้องไปหมายเอาสิ่งที่มีวิญญาณอย่าไป หรือว่าไม่รุนแรงก็ได้ตามจริงมันมีรุนแรงจริงๆจะไปแก้ตัว งั้นไม่ไม่ถูกไม่ควรเค้ามีการหนัก ไอ้ค้อนหนักอันนั้นก็หล่นลงมาใส่หัวพระๆจริงๆก็ต้องๆไม่ <ม. S 1> แต่ก็อาจจะต้องเอ่อต้องพยายามที่จะ คำว่าวิบากหรือไม่วิบากนี่ไม่เกิดตามเหตุ โดยเฉพาะมโนกรรมต้องสงบระวังสำรวมรู้เท่าทัน กุศลอกุศลๆอ่านกิเลสกุศลหรือดีบุญอกุศลบาปอ่านได้ชัด ทำแต่กุศลมีกำลังทางจิตที่จะยังกุศลให้ถึงพร้อมรู้ทั้งรู้ว่ามีกุศลแต่ไม่มีกำลังจิตก็ทำไม่ไหวเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งไม่มีเพราะกิเลสมันต้านๆในตัวเรา เพราะจะต้องเอาชนะกิเลสพวกนี้ให้เนี่ยซวยตายนะรู้ว่ากุศลก็ไม่มีแรงไปเนี่ยโง่จริงๆก็ฉลาดจริงๆก็ กิเลสๆก็ยังเป็นกิเลสได้เลยฉลาดเฉยกระตาฉลาดที่มันไม่รู้จักสัมมาไม่ แม้ไม่โง่และฉลาดก็เป็นกิเลสได้อย่าง ต้องมีแรงที่จะทําโดยไม่ตื้อไม่ต้านไม่เหนื่อยไม่ ทันทีคนอย่างนี้ก็ไม่ช้าในการที่จะเจริญใดคนอย่างเร็วเรียนเรียนกิเลสรู้ กิจที่ขยันมันก็จะกลายเป็นตัวซักซ้อมใช่เดี๋ยวย่อนเพียนกับเพียนก็ ต้องพยายามที่จะให้มีความแรงในความขยันต้องพยายามที่จะให้มีจะออก รอบที่มีแรงเนี่ยอาตมาไม่รู้เบาจะง่ายจะคล่อง ทางวัตถุธรรมก็มีทางนามธรรมทางจิตๆบาง ไม่ประพฤติปฏิบัติแต่จะรู้ๆๆเดือนไมไม 100 ไมไมไมแค่ไม พอเราในเมืองจริงๆๆ ยืนนานไปด้วยความสุขด้วยอายุยาวยืนศาสนาแนวฤทธิ์ที่มันเป็นตัวตัวทําลาย เออบ่ใช่มนุษย์ผักกันเนาะมนุษย์ผักเขาบ่ ที่จะสังเคราะห์ที่จะทำอะไรต่ออะไรหมุนเวียนแล้วก็ให้เซลล์มันมีเซลล์เหมือนกันมันมีระบบของมันเหมือนกันเสร็จแล้วก็สังเคราะห์ไปอยู่ไปคนก็มีเซลล์อยู่แล้วมีการสังเคราะห์อยู่แล้วให้หมุนเวียนไปอยู่งั้นน่ะมันรู้สึกสมดุลอะไรนักเช้ยแต่ว่าไม่ตายเหมือนพืชไม่ตายให้อาหารให้น้ำได้แสงสว่างได้อะไรต่ออะไรที่สมควรพอเป็นพอไปอยู่อยู่ได้อยู่งั้นแหละ เลี้ยงตนเลี้ยงชีวิตไปอยู่อย่างนั้นแหละเป็นมนุษย์พืชทรมาน ได้รับความรู้ได้รับความพัฒนาได้ส่วนทั้งด้าน เศรษฐได้ส่วนที่ดีนะอะไรๆเราก็ไม่ไปผลาญไม่ แต่ของเรานี่จะเข้าใจว่าขัดเกลาไม่ถึงขั้นกดดัน ไม่เกิดยกทำลายสรีระทำลายร่างกายส่วน เป็นมนุษย์พืชอย่างที่กล่าวไปแล้ว เพราะวิบากมันก็ต้องมีบ้างเช่นอย่างที่เคยยก อ่ามันต้องเข้ามาเร่งงานเราด้วยทันหนีทันไปได้ไว ได้สะสมๆแล้วโอ้นี่มันเป็นได้แม้แต่ปัจจุบันๆอ่าคนเราๆก็ประมาท กุศลน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไปสร้างๆที่รู้อกุศล เราก็จะหยุดได้ดีก็จะหยุดได้ดีถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่มันๆขนาดไม่เลยอย่างนี่มันกําลังซ้อนเชิงซ้อนเชิงเข้าไปมาก มันจึงจะจริงๆนะอาตมาสาธยายธรรมะสู่พวกเรา อาตมาก็ว่าอยู่บ่อยแม้แต่จะอย่างไปบวชแล้วเกเรเกตุงเยอะเยอะ ทำบุญทำทานเห็นว่าเป็นพระสักแต่ว่าพระ ไม่ได้รู้เรื่องรู้ดาวเลยสิ่งเหล่าๆภาคปีอนุสาหะ เพราะเราอย่าไปประมาทยิ่งเขาให้คุณค่าของเนี่ยๆ นะว่าข้าวก้อนเท่าเดิมนี่แหละก้อนเท่าเนี้ยเอาไป ทำพุทธเจ้าโดยโดยตรงก็ยิ่งได้บุญสูงขึ้นไปตามลําดับ นี่ไม่เอาโอ้เพราะการทําบุญ เป็นพระก็ตามเป็นพระที่ชั่วเราก็ แล้วก็พระก็เหมือนกันกับเอาปืนเอาปืน มีส่วนแห่งบาปไม่ใช่มีส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ เพราะเค้าไม่สอนกันว่าพระที่ไม่ดี ต้องมาต้องมาจนกระทั่งไม่ควรจะได้ชื่อ พระอาจารย์ปฏิบัติผิดอะไรเนี่ยจะบาปก็บาปมากนะทํา อาบัติแพ้กันถ้าของๆนะแพ้จริงๆจริงแล้วคุณพยายามดีๆให้กันแล้วกันก็แล้ว บามากกว่าคฤหัสถ์บามากกว่ายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆรูปธรรมเล็กๆพระพุทธเจ้าตัดอะไรไว้เป็นสัจจะทั้งนั้นคฤหัสถ์น่ะ บาปใหญ่เลยบาปหนักต้องออกจากศาสนาไปด้วยอ่าไม่ส่งเสริมไม่สอน ถ้าไม่พูดๆนะมาบวชแล้วเนี่ยอะไรๆ พระบาปหรือทําบุญก็ดีทํา ท่านเรียกว่าทางโปร่งมาบวชแล้วจริงมาบวชนี่ดีๆเราก็ เราจะไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้เท่าทันง่ายๆเราจะไม่รู้ตัวเราไม่รู้เท่า บาปมากบาปหน๋าอาจารย์ที่อาตมากล่าวไปแล้วอ่ากับคารวาสก็ จับต้องได้ยืนยันได้แม้จะๆเราลดๆนะนี่ ถ้าก็ๆเออมันก็กินตัวเราก็กินตัวเรา อย่างนี้ยังไม่ถือว่าผลวิชาทิฏฐิไม่ถือว่ามุ อ่าผู้อย่างแท้จริงทําลายกิเลสให้แก่ตนเองอย่างแท้จริงเนี่ยอาตมา .01 แหม .01 .01 จริงๆได้มากก็เข้าทางมากเท่านั้นแล้วบอก แต่เออตรงนี้แค่นี้รู้สิ่งที่เกิดที่เป็นที่ อาจจะแค่ลุกๆคลุกๆได้ขี่ได้เขตกูจะได้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์สตาร์ทอย่างที่นี้เพราะสตาร์ทยังไง จมหนืดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเคนยังไงก็ไม่ขึ้นเคนยังไงที่กาลระวังนะเพื่อน นะพูดมันรูปธรรมให้พวกคุณฟังให้คุณพิจารณาตามเนี่ยมากจริงๆแล้ว มันมีงานมากขึ้นมีงานภาระหนักขึ้นขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ยิ่งโตขึ้นใช่มั้ยใช่อ่า พออุตสาหะวิริยะดีบ้างก็มีดีมากก็มีดี ไม่ๆอ่ะไม่อยากจะพูดนะพูดแต่แค่พูดไป ไม่น่ะวิเคราะห์ฟังแล้วมันลําบากเพราะพวกเราเอ่อบางคนก็เอาขี้เถ้า จะจริงๆอาตมาไม่เคยกังวลไม่เคยถ้าเป็นบางคนก็ปวดหัวปวดหัวนอนไม่หลับ อาตมาว่าอาตมารู้ภรรครู้เพียรเพราะงั้นอาตมาไม่ไม่มี แล้วพวกคุณมีดีกันขึ้นมาไหมมีดีขึ้นมาคุณมีดีกันขึ้นมามั้ยมาตรฐาน หรือคนที่มันโง่ๆเง่าๆเนี่ยมากันเอาแต่ล่าลา ละอาตมาได้อยู่กับกลุ่มคนกลุ่มคนดีหรือไงฮะอีบุญหรือมีอ่าอยู่ไม่ มันเอาจริงเกินไปนะมันไม่เอาใจเราเลยเออมันไม่อนุโลมแล้วแต่นะคนที่มีอัตตา เขาจะมานั่งกามนะดีลากามรูป พอรู้สึกว่ามันน่าเกลียดหรือรู้สึกว่ามันไม่น่าทําใช่มั้ย กรรมที่ไม่ไม่ได้มาตรฐานก็ปฏิเสธก็จะจะอยู่รวม จะต้องใช้หยาบคายอย่างง้นอย่างงี้ไม่ต้องอ่ะขนาดนี้นี่ก็ขนาดนี้ อาหารเครื่องอาศัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคเครื่อง อาตมาเลยแซวว่าอ๋อดีนะลําเอียงให้แต่หญิงนะทีฝ่ายชายไม่ตัดว่าอย่างอือ อาตมาพูดไปเชิงพอสมควรวันรุ่งขึ้นหรือ 2 วันรุ่งขึ้นไม่รู้อัตวาจํา อ่ะอ่ามีกินมีใช้มีเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเพื่อแผ่แบ่งปันกันไปใครๆหน่อย คนๆหน่อยแต่ก็ให้ขัดเกลาบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ไป ผ่านไปอีกสัก 20 ปี 30 ปีนะแหมมันจะๆนะเพราะว่าเที่ยวก็เที่ยว อ่าแต่ทันผู้เจริญเอ่ยอยากให้อาตมาลากเออมันเออมันก็ไม่ แต่คิดว่าไปเถอะเดินไปถึงอีกแล้วไม่ใช่ตายนะ ยังไม่รู้ได้ว่าจะเป็นใครยังไม่นะเอออ๋อเราไม่อธิษฐาน <c oughs> สาธุคอยเป็นนี่แหละที่ต้องเนี่ยถ้าอีก 30 ปี คือการพวกนี้จริงมันอาจ ของเราทําโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรเจตนาไม่ จะแจกจ่ายเจือจานออกได้ แม้แต่กิจการอะไรเพิ่มขึ้นนี่จะ แล้วก็พยายามพิธีกรรมกิจกรรมพฤติกรรมของเราของๆเป็นๆเป็น มีรูปร่างที่สัมผัสได้มากขึ้นรูปร่างที่สัมผัสได้เหมือนกันเหมือนราศีเหมือนรังสี มีสภาพของมันที่คนจะสัมผัสติดสัมผัสได้ บุญเป็นยังไงๆ1 เรื่องกรรมนี่บอกว่าผู้ใดได้ศึกษาธรรมะด้วยสัมมาทิฏฐิ ระวังในกรรมนั้นๆเพราะกรรมเป็นอันธรรมนรกสวรรค์บาปบุญขึ้น นรกมีจริงมีจริงสวรรค์เป็นจริงผู้ใดทำก็เป็น ด้วยโพชฌงค์ 7 ด้วยโพธิปักขิยธรรม 37 อย่างยิ่งแยบคลาย ดังนั้นนั้น 4 โพชฌงค์ 7 มรรค 8